เราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งระบบของการปฏิบัตินี่หลวงพ่อเปลี่ยนวิธีสอนพวกเราสอนไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์วิธีของครูบาอาจารย์เนื้อหาน่านเดียวกันแแต่วิธีการเปลี่ยนเราคนรุ่นเราเนี่ยทนไม่ไหวชี้ไปทีละจุดทีละจุดแล้วให้เดินไปเองนะไม่เดินหรอก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 ถ้ามาร้อยคนจะทำไงหลับตาร้อยชั่วโมงก็ไม่ไหวนี่นานหลายวันมีคนไปตามกรรมฐานสักทีนึงท่านก็สอนแบบเฉพาะตัวเงี้ยคสอนของครูบาอาจารย์รุ่นกอนนะเป็นคาสอนเฉพาะตัวของคนนี้แหละให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้สอนทีหนึ่งตั้งร้อยตั้งพันบางทีหลายพัน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 ถ้ามาถามหลวงพ่อว่าหลวงปู่สอนอะไรนะครั้งแรกที่เจอท่านนั้นสอนการปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเคพราะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะสอนเท่านี้เองนะเราต้องมาหาวิธีทำเอาเองนี่ตรงหาวิธีทำเอาเองเนี่ยถ้าอินทรีย์ละอ่อนนะเราก็สเปชสปะนานเงินเรียน แบบโบราณ น, นะแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียนเรียนกันเป็น10บสปีเรียนกันนานใจไม่แข็งพอเรียนไม่ได้สมัยโน้นครูบาอาจารย์มีมากานักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิเท่านั้นไม่ไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาคนที่ปฏิบัติถึงขั้นเจริญปัญญามีน้อยอย่างหลวงพ่อะครูบาอาจารย์จะจําได้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 การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นทำยังไงรรู้หลักการปฏิบัติที่แม่นยำนะเราลงมือปฏิบัติไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากหลักหลักของสมถกรรมฐานเนะพ่ยพระเจ้าท่านสอนไปกว้างๆพระรุ่นหลังท่านมาประมวลออกมาเป็นกรรมฐาน4ี่สิบอย่างเป็นกรรมฐานสี่สิบอย่างอย่างเป็นต้นว่า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 จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั่นเองสงบอยู่ที่จิตนะเพราะอะไรนิพพานอยู่ที่จิตนั่นแหละปรากฏขึ้นที่จิตนั่นแหละนิพพานมีลักษณะยังไงมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแตง่งสงบจากธาตุขันไม่ได้ยึดถือธาตุขันเวลาพระยาบุคคลเข้าผลสมบัติเข้ามาที่จิตนิ่เข้าไปสัสมผัสความสุขความสงบ อารมณ์ของสมถะไม่เลือกนะใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แล้วมีอารมณ์ทั้งเยอะแยะนะไม่ใช่แค่กรรมฐาน40หรอกนี่กว้างกวางกว่ากรรมฐาน40เยอะเลยแต่ถ้าจะขยายความกรรมฐาน40ก็พอได้บ้างอย่างเห็นนิพพานนะไปเข้าอุปัสมาอุปัสสมานุสติหรือว่าอุปัสสมานุสติส่วนใหญ่ไม่คิดถึงความสงบ ไม่เข้าไปสัมผัสตัวพันิพานจริงๆแตตำราท่านก็ดีนะท่านพยายามทำให้เรียนง่ายแต่ความจริงแล้วอารมณ์ที่ใช้ทาสมถะนี่ไม่เลือกเลยอารมณ์ทุกชนิดเลยใช้ทาสมถะได้เคล็ดลับมันมีนิดเดียวเองเราต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ ม, ม, ม, ม, มันเดียวที่มีความสุขต้องน้อมจิตไปน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขน้อมไปอยู่กับอารมณ์ น, นั้นอย่างต่อเนื่อง